ปฏิธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมพันโนเสนอตอนที่ส2องพบพระอาจารย์ผู้เป็นดั่งดวงพระทีสุข ก, กายสุขใจในสำนักป่าบ้านโคบทธรรมครั้งแรกและฟังธรรมะภาคปฏิบัติ ลุ้ตามหาบุญญาสัมปันโนได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าลืมเนื้อลืมตัวความมั่งมีสีสุขทำให้คนลืมตัวความสำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดทำให้คนลืมตัวเกิดในฐานะที่โลกว่าดีก็ทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวสิ่งที่จะทำให้คนลืมเนื้อลืมตัวมันมีอยู่รอบตัวของเราสิ่งที่จะทาให้เรารู้สึกถึงตัวของเราคือองค์ศาสดา ได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามปรนะกานี้เมื่อน้อมเข้ามาสู่ภายในใจนี้แล้วจะสว่างรอบตัวรู้เหตุรู้ผลรู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้เขารู้เรารู้ตลอดไปหมดนี่ท่านว่าคนไม่ลืมตัวจะมีก็ไม่ลืมจะจนก็ไม่ลืมจะมีความรู้ความฉลาดทุกจนทนโลกหรือโง่เขลาบาปัญญาสักเท่าไหร่ก็ไม่ลืมตัวคนนี้แลเป็นคนมีธรรม คนนี้แลจะเป็นคนได้รับความสุขความสบายการรึกถึงธรรมกับรูกถึงโลกถึงกิเลสมันต่างกันการรูกถึงกิเลสเท่ากับรูกถึงฟืนถึงไฟการรึกถึงธรรมเท่ากับรูกถึงโอสถกินยาจะมารักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเสมอไปหลวงตามหาบวยญาสัมปันโน ได้เล่าชี้ว่ประวัติของท่านไว้ในพรรษาที่9ปีพุทธศ 85, ักราช2485ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่เสนาสนะป่าบ้านโคกปัจจุบันคือวัดสุทธิธรรมารามตำบลตองโคกอำเภอโคกศรรสีสุพรรณจังหวัดสกลนครไว้ว่าพอตกถึงเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2485เราก็ออกเดินทางจากหนองคายไปยังจังหวัดสกลนคร และได้เดินทางต่อไปถึงยังวัดของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตเทระซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกตะบนตองโคกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครคนเราหนี่เมื่อเสาะแสวงหาอะไรมันก็มักจะเจอสิ่งนั้นเสมอเมื่อเราเดินทางไปถึงเสนาสนะป่าบ้านโคกในตอนกลางคืนมองไม่เห็นทางชาวบ้านก็บอกว่าให้เดินไปตามทางนี้แหละไปแล้วก็จะถึงวัดเลยเพราะทางมันพอเป็ น, น, นดนังๆพอไปถึงเข้า เห็นเสนาสนะนึกขึ้นภายในใจว่าเอนี่มันเป็นศาลาหรือว่าเป็นกุฏินะถ้าเป็นกุฏิกรรมฐานก็โตเกินไปถ้าว่าเป็นศาลาก็ดูมันจะเล็กเกินไปแล้วองค์ท่านพระจารย์มั่นก็เดินจงกรมอยู่ข้างศาลาเราก็เดินสุ้มซ้ำส้มซ้ำเข้าไปองค์ท่านกําลังเดินจมกรมอยู่ข้างศาลาหลังเล็กๆศาลาหลังนั้นท่านกั้นห้องอยู่ข้างบนท่านเห็นราวก่อนจึงหยุดยืนดู พอเราเดินเข้าไปใกล้ๆตรงหน้าศาลาท่านก็ถามขึ้นว่าใครใครท่านว่าอย่างนั้นผมผมครับเราตอบท่านอันผมผมนี่แม้แต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านนั่นคําพูดท่านที่แย้งไม่ได้ท่านเป็นปราดสงคำเล่ําลือทางเราก็แจ้งม่ทันทีว่าผมชื่อพระมหาบัวครับต้องอย่างนั้นสิถึงจะรู้เรื่องรู้ราวกันอันนี้ผมผมผมแล้วใครจะไปรู้เล่า หลังจากนั้นท่านก็ออกจากที่จงกรมขึ้นไปจุดตะเกียงแต่ยงมีเจ้าเล็กๆครอบเหมือนดอกบัวพอได้ยินเสียงท่านขู่เราเท่านั้นพระเนนที่เดินจงกรมอยู่ในเวลานั้นก็หลั่งไหลามานาสีเพราะท่านจุดไปแล้วพระก็ขึ้นมาจากนั้นมาเสียงท่านแผดอะไรท่านดุเรื่องอะไรฟังแล้วถึงใจนะเพราะเราฟังเพื่ออัเพื่อทำแ ท, แท้ดุมากเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ธรรมะล้วนๆเรียกว่าเป็นยอดธรรม เราไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกมันจะแตกถึงขนาดนั้นหลังจากนั้นท่านก็ว่านี่นี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนรไปจากที่นี่แล้วมาวันนี้ท่านมหาบัวก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่นะกุฏิมันไม่ว่างอุ้ยไอเราฟังแล้วมันเสียวจะเป็นจะตายเข้าถึงหัวตับหัวปอดนุ่นนะทั้งทั้งที่จะได้อยู่กับท่านอยู่นะ เพียงคืนแรกที่เราไปถึงท่านเท่านั้นปัญหาที่เราคิดไว้ทั้งหมดเต็มอยู่ในหัวใจดวงนี้เหมือนกับว่าท่านได้บันทึกไว้หมดทุกแง่ทุกมุมแล้วท่านแจงท่านแจกอะไรออกมาในขณะนั้นเลยเหมือนกับว่านี่นี่ น, า น, น า, านี่นามัดผลพระนิพพานลงบ้าไปไหนรู้มั่งไหมมัทผลนิพพานอยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมฟังเท่าไหร่ยิ่งซึงซ้งซึ้งจนกระทั่งหายสงสัย ทั้งๆที่กิเลสยังมีอยู่เต็มหัวใจนะหากห้สงสัยแล้วที่ว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีมีแต่ความแน่ใจว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่อย่างสมบูรณ์ดังที่ท่านได้ชี้แจงให้เราทราบอยู่ขณะ น, นี้เหมือนกับว่าท่านถอดออกมาจากหัวใจของท่านถ้าเป็นวัตถกุก็เหมือนกับว่าท่านถอดออกมาเลยนี่น่าเห็นไหมตาบอดเหรอถ้าคนไม่ตาบอดเราเอาของวางไว้บนฝ่ามือนี้ ก็ต้องเห็นเสมอนี่เห็นแล้วหรือยังเห็นแล้วหรือยังเราก็อยากจะพูดให้เต็มปากว่าไม่เห็นได้ยังไงก็วางอยู่บนฝ่ามือคือความเชื่อมันเชื่อแล้วเชื่อท่านเพราะท่านถอดเอาความจริงออกมาจากใจนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องทั้งหลายที่ว่าความอยากอันนี้มันรุนแรงความอยากยังสงสัยผลอยู่ก็ยังมีเรียกว่าความอยากยังไม่สมบูรณ์พอท่านแสดงเรื่องมรรคผลนิตรผนให้ฟังแล้ว เอาละทีนี้ท่านอธิบายถึงขนาดนี้แล้วเชื่อแล้วหรืออย่างเชื่อแล้วอย่างถึงใจหัวใจมันตอบรับอย่างนั้นหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนได้เล่าถึงขณะที่ท่านจำพรรษาอยู่ในเสนาสนะป่าบ้านโคกด้วยความสุขกายสบายใจในสำนักแห่งนี้เอาไว้ว่าเมื่อท่านพระจารย์มั่นภูริทัตถีระ ได้เมตตารับเอาไว้แบบท่านสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบทัพผีไม่รู้รถแจงคิดแล้วน่าอับหน้าอายขายหน้าที่พระสูงทั้งท่งทอนไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดปรือนเรื่องหรือระบือทั่วทั้งจักรวาลทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องล่างท่านพระอาจารย์มั่นภูริทธธัตเทระท่านพาหมูงคณะจำพรรษาที่สำนักตาบ้านโคกด้วยความผาสุกทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ได้ทุกตลอดพรรษา ขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำ6กถึงคืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งนับแต่สองชั่วโมงขึ้นไปถึงสี่ชั่วโมงในขณะฟังธรรมผู้ฟังนั่งทำจิตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเด็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแจพระเนนแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผล และถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งมั่นต่อตอตัตตอธรรมจริงๆขณะที่ฟังท่านแสดงทําให้จิตประวัติถึงทั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะเป็นที่แน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมะซึ่งเป็นมหาสมบัติคือมรรคผล น, ผนิพพานออกมาแสดงล้วนๆไม่มีธรรมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตาเทระ ท่านได้แสดงทําให้ฟังในบทธรรมที่องค์ท่านเมื่อจะแสดงให้ฟังในคืนวันที่ไปถึงท่านทีแรกนั้นจะนํำใจความยออ่อทั้งที่จดจําได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบและเป็นบทธรรมที่ฝังลึกอยู่ในใจจนมาถึงบัดนี้ว่าท่านมหาก็นับว่าเรียนมามากพอสมควรจนปรากฏนามว่าเป็นมหาผมจะพูดธรรมให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดแต่อย่าเข้าใจว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะ เวลานี้ธรรมที่ท่านเรียนมาได้มากได้น้อยยังไม่สามารถอํานวยประโยชน์ให้ท่านสมภูมิที่เป็นมหาป ร, รียนนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของท่านในเวลานี้เท่านั้นเพราะท่านจะอดเป็นกังวลและนำธรรมที่เรียนมานั้นเข้ามาเทียบเคียงไม่ได้ในขณะที่ทําใจให้สงบดังนั้นเพื่อความสะดวกในเวลาจะทําความสงบให้แก่จิตใจขอให้ท่านที่จะทําใจให้สงบ ยกบูชาไว้ก่อนในบรรดาธรรมที่ท่านได้เรียนมาต่อเมื่อถึงการที่ทำซึ่งท่านเรียนมาจะวิ่งเข้ามาประสาน ก, กันกับท่านด้านปฏิบัติและกลมเกลืนกันได้อย่างสนิททั้งเป็นแบบแม่พิมพ์ซึ่งเราควรจะพยายามป ร, ปรับปรุงจิตใจให้เป็นไปตามด้วยแต่เวลานี้ผมยังไม่อยากให้ท่านเป็นอารมณ์กับธรรมที่ท่านเล่าเรียนมาอย่างไรจิตจะสงบลงได้หรือจะใช้ปัญญาคิดค้นในขัน ก็ขอให้ท่านทำอยู่ในวงกายนี้ก่อนเพราะทําในตำราท่านชี้เข้ามาในขันทนั้นแต่หลักฐานของจิตยังไม่มีจึงไม่สามารถนำธรรมที่เรียนมาจากตำรับตำราน้อมเข้ามาเป็นประโยชน์แก่ตนได้และยังจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์คาดคะเนไปที่อื่นจนกลายเป็นคนไม่มีหลักเพราะดวงจิตติดประยัดในลักษณะไม่ใช่ทางของพระพุท ธ, ธเจ้าขอให้ท่านนำธรรมที่ผมพูดให้ฟังไปคิดดู ถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าทำที่กล่าวมานี้จะประทับใจของท่านอย่างแน่นอนหลวงตามหาบัวยนสัมปโนอเล่าประวัติในตอนนี้ต่อไปอีกว่าเราก็อยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความพอใจจุดบอกไม่ถูก แต่อยู่ด้วยความโง่เง่าอย่างบอกไม่ถูกอีกเหมือนกันเฉพาะ อ, องค์ท่านรู้สึกมีเมตตาธรรมนุเคราะห์ทุกครั้งที่เข้าไปหาท่านท่านชี้แจงแสดงเรื่องอะไรไม่ว่าดูท่านทางตาฟังท่านทางหูอะไรไม่มีคลาบไม่มีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินยัยพูดอะไรตรงไปตรงมาเพ่งๆลงถึงใจถึงกับเอาอุทานว่าโอ้โหนี่หละนี่หละคืออาจารย์ของเราเชื่อแน่วแน่ ว, ว่า มรรคผลพระนิพพานมีอยู่ร้อยเปอร์เซนถามใจตนเองอีกว่าเอาละทีนี้เราจะจริงไหมได้คำตอบผุดขึ้นมาท่ามกลางดวงใจทันทีว่าจริงสิไม่จริงให้ตายซะดีกว่าอย่าอยู่หนักพระศาสนาและหนักแผ่นดินอีกต่อไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ฟัดกันใหญ่เลยจากนั้นมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าหากว่าท่านพระอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่าน จนกระทั่งว่าวันท่านล่วงไปหรือเราร่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามการเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนก็ต้องกลับมาหาองค์ท่านแล้วตามมหาบุญยณสัมปันโนได้เล่าถึงธรรมะภาคปฏิบัติในขณะที่ท่านพระจารย์มั่นแสดงและสอนวิธีปฏิบัติให้ฟังว่า ขณะที่เราอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นระยะแรกๆได้ฟังท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนภูมิใดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับร้องเพลงให้ควายฟังนั่นแหละแต่ดีอย่างหนึ่งที่ไม่เคยตำหิติเตียนท่านเลยว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของว่านี่เห็นไหมท่านพระอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังคุณศัพท์กิตอุคุณของท่านลือกระชอนไปทั่วโลกมาเป็นเวลานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเป็นเล็ก เรายังมีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นท่านได้ฟังโอวาทขององค์ท่านบัดนี้เราได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเลยนี้เราโง่แค่ไหนรู้หรืออย่างทีนี้เราเคยฟังเทศทางด้านปริยัติฟังจนกระทั่งเทศของพระสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศของท่านพระจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์พระประเสริฐทางด้านปฏิบัติและจิตใจแต่ไม่เข้าใจ เราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นพระประเสริฐที่ปรากฏชื่อเสียงมานานแสนนานถึงขนาดนั้นเรายัางไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วหรื อ, อยังความโง่ของเราครั้นฝั่งท่านไปนานๆเราก็ปฏิบัติตามท่านไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาฟังท่านค่อยเข้าใจคิดค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปเป็นลําดับลําดาทีนี้รู้สึกว่าเริ่มค่อยซึ้งเพราะฟังคาเทศนาของท่านก็เข้าใจ พูดถึงเรื่องสมาธิแล้วสายแจ๋วอยู่ภายในจิตภายในใจจากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลําดับลําดๆทราบซึ้งโดยลําดับลําดับเลยกลายเป็นคนหูสูงไปคนหูสูงคือนอกจากท่านแล้วไม่อยากฟังเทศสตของใครเลยเพราะเทศสตไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศสตไม่ถูกหยุดของกิเลส ท, ที่ซุ่มซ่อนตัวเทศสตไม่ถูกจุดของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสเทศสตไม่ถูกหยุดแห่งมรรคผลพระนิพพาน ธรรมที่ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเหมือนกับเทน้ํำล้างสิ่งสกปรกภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอัตธรรมอะไรง่ายๆทั้งๆที่เป็นธรรมะอันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันยังสกปรกจิตมันยังเป็นของไม่มีคุณค่าธรรมแม้จะมีคุณค่าใจก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่ต่ํากับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากที่ไหน ขณะที่มันเศร้าหมอมันดํามืดมันจะเอาความแก้งข่าวมาจากที่ไหนต้องอาศัยการชะล้างเรื่อยๆมันก็ค่อยสะอาดขึ้นมาขึ้นมาใจปรากฏเป็นของมีค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตเริ่มมีคุณค่าเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็ค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยดําดับแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันเขาทะเลาะกันเขาถกเถียงกันก็ยังนํามาเป็นอาจเป็นทำได้ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นนั้นนี่แหละท่านทั้งหลายความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมตนอยู่สม่ำเสมอนี้คือการสร้างวาสนาสร้างขึ้นที่ใจอย่างนี้เอง